อย่าทำขนขวายที่จะหาของสักการะบูชาตถาคตนี้เลยแล้วกลับตรัสว่าดูกะระสำแดงอานน์ท่านทั้งหลายจงสักการะบูชาซึ่งธาตุของตถาคตผู้ควรที่จะบูชาเอวังกราเมื่อท่านสาธุสัตว์บุรุษมนุษย์เทวดาทั้งหลายมีอุตสาหะขนขวายที่จะบูชาพระบรมธาตุของตถาคตตามคําที่สั่งไว้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 รู้ว่าจะเป็นจันร์เป็นศูนย์จับทิศนั้นดีจับทิศนั้นร้ายสุกะราหูจริตตังรู้จักราหูจรและพระสุขเทวดาผู้ใหญ่อันเที่ยวอยู่อุลุกขหายุทธังเทวทุพิสรังรู้ว่าดาวเข้าในวงเดือนจะเกิดเทวยุทธสงครามโอกติอุ ก, กาปาตังรู้วิชาดูพระเกศ ต, ตกและอุกาบาด เปลวเพลิงตกลงมาแต่อากาศอุกาบาตนั้นลุกลอยขึ้นมาจากดินดุดพลุอันจะบอกเหตุอันร้ายภูมิกำมังรู้จักดูแผ่นดินอันพิกลทิสาทาหังรู้จักฟ้าแดงทิศนั้นเป็นมงคลทิศนั้นเป็นอวัมงคลภูมันตะลิขังรู้จักท้องฟ้าอากาศโชติสรัง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 พระมานพควรจะอุตสาเล่าเรียนไตรเวทวิชาการฉะนั้นที่ว่าขนขวายกระทาสักการะบูชานั้นชอบแต่เทพามนุษย์เหล่าคราวาททั้งหลายเปรียบดุจการอันทุรพลมีต้นว่ากสิกรรมและพาณิชกรรมกระทาไร่นาค้าขายเลี้ยงวัวควายแพะม้าช้างทั้งปวงนี้ชอบที่แต่พ่อค้าและชาวนาพึงกระทานี้ และที่ว่าเป็นอากรรมใช่การของบรรพชิตชินบุตรบวชในพระพุทธศาสนาจะกระทำศักระบูชาควรจะกระทาแต่เทพามนุษย์นิก่อนทั้งปวงนั้นเป็นเหตุด้วยสมเด็จพระบรมโลกกานาปรารถนาว่าพระชินบุตรทั้งหลายนี้ไม่ควรที่จะประกอบอากมคือกระทำศัการะพุทธบูชาควรที่แต่จะประกอบกรรม